คอลัมน์ไดอารี่หมอดูโดยหมอผีหน้าที่หต้นปีก็มักจะมีลูกค้ากลุ่มใหญ่อยากเช็คดวงล่วงหน้าว่าปีเนี้ยจะมีปัญหาอะไรบ้างมีคนโทรมาจองคิวเพื่อเช็คดวงค่อนข้างเยอะและมักจะมีคาถามคล้ายๆกันว่าตลอดปีเนี้ยดวงเมืองมันจะเป็นยังไงบ้างคํำพยากรณ์ของหมอดูชื่อดังทั้งหลายที่พยากรณ์มาจะเชื่อได้ไหมมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าจริงไหม เจอคำถามนี้ติดกันมาตลอดยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคาพยากรณ์อะไรเลยก็เลยเป็นเหตุให้ต้องไปหาอ่านซะหน่อยหลังจากเจอคำถามของลูกค้าที่มาดูดวงก็มีรุ่นพี่และเพื่อนๆหลายคนที่รู้จักพอได้อ่านข่าวมาก็รีบกดโทรศัพท์มาหาําเสียงตักตื่นตกใจกันมากๆสงสัยกันว่าคาพยากรณจะเลวร้ายตามที่เขาทานายหรือเปล่าความเป็นจริง อาชีพหมอดูก็เป็นาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเหมือนกับอาชีพอื่นๆยิ่งในเมืองไทยเราก็มีการเชื่อคำพยากรทั้งด้านโหราศาสตร์มาตั้งแต่ยุคโบราณอยู่แล้วดังนั้นหมอดูก็เลยมีอิทธิพลทางด้านความเชื่อของคนในสังคมไทยเราประกอบกับคนไทยชอบดูหมอต่อเนื่องกันมาอยู่ด้วยมีหลายคนดูหมอเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตไปในทิศ ท, ทางไหนบางคนเชื่อหมอดูมาก จนกระทั่งนำมาเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตหรือบางคนอาจจะไม่เชื่อหมอดูแต่ลองดูแค่ครั้งเดียวหมอดูพยากรอะไรมาก็ไม่เชื่อเพราะผลของคำพยากรตรงหมดในภายหลังก็เสียใจที่ไม่เชื่อก็เลยกลับไปดูอีกครั้งคราวนี้พอเขาพยากรอะไรมาก็เชื่อหมอดูไปหมดทุกเรื่องกลายเป็นเชื่อแบบไม่มีเหตุผลเพราะกลัวว่าถ้าไม่เชื่อจะออกมาตรงเหมือนครั้งแรก หรือบางคนก็เชื่อหมอดูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอเขาทำนายอะไรมาตรงหมดทุกเรื่องก็ทำให้เชื่อหมอดูยิ่งขึ้นอีกหมอดูแนะนำให้แก้ไขอะไรหรือชี้นำให้ไปทางไหนก็ทำตามหมดไม่ได้พิจารณาต่อถึงคำแนะนำว่าจะดีหรือไม่ขาดสติยั้งคิดทำให้ชีวิตพังก็ยังมีให้เห็นอยู่เหมือนกับหมอดูต่างประเทศชื่อดังคนหนึ่ง ซึ่งมีบุคคลสำคัญของเมืองไทยให้การนับถือและก็ไปดูดวงด้วยซึ่งตอนแรกก็ทำนายอะไรตรงไปหมดแม่นเหมือนตาเห็นพอในครั้งต่อไปก็เชื่อคำทำนายของหมอดูคนนั้นอย่างมากทั้งยังนำเอาคำแนะนำของหมอดูที่แนะนำผิดๆมาเป็นส่วนช่วยตัดสินใจในชีวิตโดยไม่ได้พิจารณาว่าจะมีผลร้ายยังไงบ้างกับตัวเองถึงขั้นทาให้ชีวิตต้องพลิกผันมากมายดังนั้น การเลือกหมอดูมีความสำคัญมากการเลือกจะดูหมอความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความแม่นแต่ความสำคัญอยู่ที่คำแนะนาที่ดีมากดีน้อยหรือดีที่สุดมากกว่าหมอดูก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งก็ยังมีกิเลสอยู่บางคนศีลก็ยังไม่ครบยังโกหกกันเห็นเห็นคำทำนายของหมอดูถือว่าเป็นจิตวิทยามวลชนชนิดหนึ่งหมอดูพอเริ่มมีชื่อเสียง ก็เริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมตอนแรกก็ทํานายบุคคลทั่วไปพอมีชื่อเสียงก็ย่อมหันมาทํานายดวงเมืองดวงโลกยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อสังคมมากขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าคําพยากรณ์ที่ออกมาจะพยากรณ์ผิดสิบครั้งมีถูกแค่ครั้งเดียวแต่แค่ครั้งเดียวก็มีความน่าประทับใจมีอิทธิพลในการพูดต่อคนในสังคมให้เกิดความเชื่อได้แล้ว พอหมอดูคนไหนเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมก็ย่อมตกเป็นเครื่องมือของคนที่หวังผลประโยชน์ทั้งทางด้านบวกหรือด้านลบต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อสร้างกระแสสังคมหมอดูที่พยากรดวงเมืองดูประเทศแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งต้องการทํานายออกมาโดยต้องการให้เกิดผลทางลบฝ่ายที่สองต้องการทํำนายออกมาเพื่อให้เกิดจิตวิทยาทางบวกถ้าใครเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ถือว่าตกหลุมพรางที่เขาขุดรอเอาไว้ลองมาสังเกตย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะมีการเลือกตั้งก็มักจะมีหมอดูมาพยากรก่อ น, อนว่าดวงใครจะมาแรงกว่ากันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนหมอดูบางคนอาจจะพยากรเข้าข้างบางฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดเช่นจะสร้างชื่อเสียงจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ประเทศและอีกมากมายแต่พอเป็นรัฐบาลไป ไม่เห็นจะเป็นไปตามคำพยากรณ์เท่าไหร่คำพยากรณ์มักจะเกิดในช่วงที่ประชาชนอยู่ในช่วงที่สับสนไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีแต่ได้รับกระแสของคำพยากรณ์ก็อาจจะเอาคำพยากรณ์ของหมอดูมาเป็นสิ่งที่ช่วยตัดสินใจคำพยากรณ์ของหมอดูดังมักจะเกิดก่อนเลือกตั้งช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหาหรือก่อนปีใหม่ ถ้าเราไม่ได้พิจารณาให้ดีก่อนที่จะเชื่อเราอาจจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนที่เขาหวังผลประโยชน์ที่จะให้เป็นไปตามที่เขาต้องการก็ได้มีตัวอย่างของเรื่องหมอดูที่มีอิทธิพลต่อสังคมคือสมัยหนึ่งที่นาซีรุ่งเรืองฮิตเลอร์เคยสั่งให้เอาคำทำนายของนอสตราดามุสมาแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวเขาเองให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวเขาโดยที่เนื้อความเดิม นอสตราดามุสเคยพยากรณ์ไว้ว่าในสังคมมนุษย์จะมีคนเลวร้ายมาเกิดในลนักษณะของผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือแอนติคริสต์รวมสามรายโดยเขาได้ทำนายอนาคตของแอนติครสต์สองคนแรกได้อย่างแม่นยำคนแรกคือนโปเลียนโบนาปาร์ความทะเยอทะยานของเขาทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปมากกว่าสองล้านคนส่วนคนที่สองคือ เด็กน้อยเกิดในครอบครัวยากจนในส่วนลึกสุดของยุโรปตะวันตกเมื่อเติบใหญ่ขึ้นจะใช้วาทะศิลป์เป็นสื่อนำชักจูงผู้คนมากมายให้คล้อยตามชื่อเสียงและอำนาจแผ่กระจายไปทั่วราชอาณาจักรตะวันออกนอสตราดามุสระบุชื่อไว้ในคำทำนายของเขาว่าฮิสเตอร์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับชื่อจริงของอดอล์ฟฮิตเลอร์คว่าฮิสเตอร์ในภาษาละตินยังหมายถึง แม่น้ำดานุบอันเป็นแหล่งกำเนิดของฮิตเลอร์และได้ทำนายวาระสุดท้ายว่าอาณาจักรแอนติคริสจะรุ่งเรืองขึ้นและก็ล่มสลายลงในเวลาอันสัน้นฮิตเลอร์มีความเชื่อว่าชาวยิวเป็นคนไม่ดีเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นถ้าโลกจะเจริญต้องฆ่าคนยิวให้ตายให้หมดโลกถึงจะเจริญเมื่อเขาต้องการฆ่าชาวยิวเขาต้องการอานาจและฮิตเลอร์เป็นคนฉลาด สั่งให้เอาคําทํานายมาแก้ไขโดยเปลี่ยนคําพยากรณ์ตอนท้ายว่าจะสามารถสร้างอาณาจักรที่รุ่งเรืองขึ้นมาครองโลกได้การที่ฮิตเลอร์เอาคําทํานายของนอสตราดามุสมาเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้เกิดผลประโยชน์ทางการเมืองฮิตเลอร์คิดว่าคําพยากรณ์จะทําให้ประชาชนเยอรมันเกิดกําลังใจเกิดความเชื่อมั่นในตัวเขาว่าจะเป็นผู้นําได้ซึ่งตอนนั้น เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งตกอยู่ในสภาพท้อแท้และสิ้นหวังจึงมีคำทำนายแบบนี้ออกมาเพื่อจะทำให้ประชาชนเยอรมันเกิดความเชื่อมัน่นพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่โดยที่มีตัวเขาเป็นผู้นำและมั่นใจว่าจะสามารถมีอำนาจยิ่งใหญ่ได้วาระสุดท้ายของฮิตเลอร์ได้กระทำอัตวินิบาตกรรมด้วยปืนพก หลังจากที่ทราบข่าวการถูกแขวนคอของจอห์เผด็จ ก, การมุสโอลินีแห่งอิตาลีได้สองวันสงครามสิ้นสุดลงโดยที่เยอรมันถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศและมีกำแพงเบอร์ลินกั้นเขตแดนระหว่างซีกตะวันออกกับตะวันตกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยฮิตเลอร์ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นได้ว่าคำพยากรของหมอดูมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสังคมเยอรมันค่อนข้างมาก ชาวเยอรมันเชื่อว่าฮิตเลอร์จะช่วยกอบกู้ประเทศให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้หมอดูดังหลายคนในเมืองไทยก็อาจจะตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางคนที่มีความไม่หวังดีต่อบ้านเมืองดังนั้นหลักในการพิจารณาค่าพยากรของหมอดูว่าน่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนให้พิจารณาจากองค์ประกอบคือหนึ่งดูที่เจตนา เจตนาเป็นอันดับแรกว่าหวังดีหรือหวังร้ายว่าเขาต้องการทำเพื่อชาติทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อคนอื่นเช่นถ้าทายออกไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนแค่คนเดียวแสดงว่าเจตนาทำเพื่อตัวเอง 2. เขาต้องการอะไรต้องการที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าตัวอย่างเช่นหมอดูต่างประเทศดูดวงเมืองไทยตอนแรกก็พยากรณ์แม่นหลายเรื่อง แต่พอตอนพยากรครั้งสุดท้ายกลับพยากรผิดไปซึ่งเจตนาของเขาอาจจะต้องการให้บ้านเมืองแตกแยกและพยากรเข้าข้างเจ้าหน่ายตัวเองหมอดูบางคนก็ยังมีอคติส่วนตัวอยู่คำพยากรณ์ที่ออกมาอาจจะมีอคติส่วนตัวมีความชอบไม่ชอบอยู่ด้วยเราอาจจะย้อนกลับไปดูคำพยากรณ์เก่าๆของหมอดูที่ได้พยากรมานั้นจะทาให้เห็นตัวอย่างได้ว่า น่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนจะทำให้เราเห็นอีกหลายแง่มุมว่าคําพยากรณ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครจะเห็นว่าน่าเชื่อถือมากแค่ไหนหรือจะเป็นการสร้างกระแสความนิยมหรือเปล่าหรือเพียงต้องการทำลายใครด้วยหรือไม่พอเราใช้หลักเจตนาเป็นตัวตั้งในการอ่านคําพยากรณ์จะทำให้เราอ่านคาพยากรณ์และจะรู้ว่าควรจะเชื่อได้แค่ไหนไม่ตกหลุมพรางที่คนอื่นเขาวางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามที่เขาต้องการบางครั้งการพยากรณ์ดวงตามหลักโหราศาสตร์นั้นจะเป็นแค่การคำนวณดวงตามรหัสของบุญเก่าและกรรมเก่าในอดีตที่ส่งผลให้มาเกิดภายใต้ดาวเคราะห์ดวงบุญดวงไหนแต่จะขาดการเห็นนิสัยเห็นวิธีคิดในปัจจุบันว่ามีความคิดเปลี่ยนไปจากดวงเดิมมากแค่ไหนที่สาคัญตัวแปรใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของดวงแต่ละคนสาคัญมาก ที่จะเป็นตัวส่งผลให้ดวงเก่าไม่ตรงตามเดิมดวงผู้นำคนสำคัญสำคัญถ้าขาดการเห็นนิสัยปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปจากดวงเก่ามากแล้วอาจทำให้พยากรออกมาคลาดเคลื่อนได้และตัวแปรใหม่ที่เป็นตัวกระตุ้นกิเลสก็เป็นตัวสำคัญมากที่จะทำให้วิธีคิดไม่เดินตามดวงเดิมหรือแม้กระทั่งดวงเมืองก็มีตัวแปรปัจจุบัน ที่จะทำให้ดวงเมืองไม่ออกมาตรงร0อเปอร์เซน์เช่นถ้าคนส่วนใหญ่ได้ทำบุญกันมากขึ้นหรือมีการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมากขึ้นก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ดวงเมืองเปลี่ยนไปไม่เป็นไปตามพื้นดวงเมืองหมอพีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ในนนทุกกคิมมมยีผู้า สับสนวัดเคยมี เ, อเธอชาใด